ท่านี้แบบเป็นยังไงบ้างนะครับคือความหมายทั่วไปก็คือพระนะผู้บวชครับแต่ความหมายที่จ่ะจงในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือผู้ที่สงบจากกิเลสแต่ก็ไม่ใช่เป็นผู้บวชเฉยนะไม่ใช่เป็นนรกปฏิบัตเฉยแต่เป็นผู้สงบจากกิเลสซึ่งถ้าถือตามความหมายที่พระเจนานุกองพุทธศาสนาระบุเนี่ยนะมันหมายถึง พรริยเจ้าแล้วก็ผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อบรรลุถึงความเป็นอริยชนหรือว่าเพื่อสงบแต่กิเลสนั่นคำว่าสัมณนาเนี่ยในความหมายในความหมายที่แท้จริงเนี่ยนะมันมันลึกกว่าความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจคือไม่ใช่แค่บวชแล้วจะเป็นสัมมนาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็อย่างแต่โดยทั่วไปคนก็เข้าใจในความหมาย ก้องกวางสมนาคือผู้บวชนั่นแหละนะแล้วแต่ก็ต้องมีต้องมีต้องมีต้องมีความประพฤติถูกต้อ ง, างตามตาพมพระธรรมวิ น, นัยครับก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่มีเบียดเบียนใครในโอวัทถปาดิโมกอะมอันนี้ แสดงว่าความหมายของพระอาจารย์นี่คือก็เหมือนในความหมายของพระไตรปิฎกที่กล่าวไว้ในแบบสมณะสูตรเลยครับที่บอกว่าว่าว่าเป็นอริยสีขั้นตั้งแต่โสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์ใช่ความหมายแบบนี้นะครับแต่ก็อย่างว่านะคือเราก็พูดในความหมายสองระดั บ, บนะก็หมายถึงว่าสงฆ์เนี่ยสงฆ์ก็มีสมบทิสงกัอริยสงฆ์ใช่ไหมครับเวลาเราพูดถึงสงฆ์นี่เราก็อาจจะหมายความทั่วๆไปเหมืสงฆ์คนที่บวชพระม า, มากกก่าสี่ลูกขึ้นไปก็เรียก ว, ว่าสงฆ์ ก็จะเป็นสมบติสงศแต่ว่าคนละสงฆ์กับที่เราสวดนะประพฤตระรรมพระสงฆ์พระสงฆ์นี่เรามาถึงอริยสงฆ์นะครัมคำถามที่สองคําที่สองนี้อาจจะคล้ายๆกับคำถามแรกนะครับที่เขามาเขาบอกว่า กับพระสงฆ์ที่มีความแบบเป็นแบบ เ, เป็นสำเนาสรูปเนี่ยครับครับคืออยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความคำว่าแบบสมำเน า, ารูปให้หน่อยนะครับว่าพระสงฆ์คือสำเน า, ารูปเนี่ยก็หมายถึงรูปแบบนะซึ่งจะมาว่าคำ ว, ว่าสมณะในที่นี้เนี่ยสำเน า, ารูปในที่นี้เนี่ยก็ใช้กับพระทั่วไปใช่ไหมไม่ได้หมายถึงพระฤๅษีเจ้าใช่ไหมสำเนาสารูป ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามพ ร, พระธรรมวิ น, ยนัยมีอาจาระงดงามครับซึ่งเราจะดูได้จากที่มีคำเรียกว่าเป็นบทสวดเนี่ยทำที่บานพิชิพลพิจารณาหนึงหนึ่งสิบอย่างเนี่ยแต่พวกนั้นน่มันก็เป็นเครื่องวัดความเป็นสมณัสรารูปได้นะซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอการระลึกเพื่อเตือนใจให้ตนเนี่ย ประพฤติตนถูกต้องตามพระวินยัยโดยเพราะการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะการไม่ทำตัวให้เป็นคนเลี้ยงยากนะการที่มีศีลนะที่ดูงดงามจะไม่ได้เน้นถึงเรื่องของคุณธรรมภายในใช่เพราะความความว่ารูปเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วหมายถึงลักษณะอาการภายนอกนะสารูปเนี่ยนะ เพเนี่ยก็จะเน้นเป็นข้อเตือนใจนะหรือว่าเป็นเป็นข้อเป็นข้อปฏิบัติสําหรับพระเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นสัมมานาทีแท้นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเรื่องที่จะเน้นเรื่องอากับกริยาภายนอกหรืนะอว่าจะเป็นเรื่องของของพวกเสกิยวัตรเรื่องของพวกแบบวินัยเป็นหลักมากกว่าในความหมายใช่ไหมครับใช่ใกัน แต่ว่าก็ต้องมีการเตือนใจอยู่ภายในนะครับเนะช่นอย่างที่ในธรรมที่บรมชิพเพืนพิจารณ์หนสิบอย่างเนี่ยนะข้อข้อสุดท้ายที่วันเราเนี่ยมีคุณวิเศษหรือเปล่าใช่รเราปฏิบัติมาเนี่ยเรามีคุณวิเศษบ้างไหมหรือว่าจะปล่อยให้วันคือล่วงไปล่วงไปโดยตาประโยชน์ครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจทำให้ความเกิดการ ปรับปรุงความประพฤติปฏิบัติให้ให้งดงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำนาที่แท้นเนี่ยนะกิริยาการเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับสมนาาักสารลูปที่ที่กำหนดไว้ก็ได้หรือที่คนเข้าใจก็ได้เช่นภาพปิรันธวัตชายท่านท่านพระหันใช่ไหมแต่ท่านพูดจาไม่สุภาพเลย หรืออย่างหลวงปู่เจีย๊ยเนี่ยหลวงปู่เจีย๊ยเนี่ยนะหลวงปู่ช้าไอ้หลวงปู่มันก็ยกย่องมาเป็นพระคีรุหอทองครับ แ, <ป>แต่ท่านสํานักสาวรูปนี่ไม่งามเลยใช่ไหม<ป>บางทีบางทีเรียกรถเนี่ยไปเรียกรถถ้าไม่ได้ไปเรียกรถท่านจะเข้ากรุงเทพเนี่ยไปเรียกรถหน้าวันเนี่ยถ้าไม่ได้บอกมือในบางทีท่านยกเท้าด้วย<ป>ใช่ไหมหลวงปู่เจดุนโทเนี่ยหรือว่าหลวงปู่ทองรัตนเนี่ยหลวงพ่อทองรัตนเนี่ย จริงๆพูดถึงสรรมกาสารูปนี่ก็ไม่งาม น, นะในบางครั้งตัวกระทั่งมีมีคนเขียนจดหมายบัตรสนเทศแล้วออกจากวัดไปเลยแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยกันก็รู้ว่าท่านเนี่ยภูมิธรรมมาถึงเพราะนั้นเนี่ยสรรมณสารูปนี่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องวัดถึง ค, ค, คุณธรรมภายในแต่่าแต่ว่าก็ควรจะเอาเป็นเอามาเป็นหลักเป็นกรอบเอาไว้เพราะว่าถ้ า, ถ, าถ้าเราถ้า เราพยายามที่จะดูแลกายวิจาให้ดีตามหลักสมณสารูปเนี่ยก็จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงภายในด้วยครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดแบบว่าอย่างผมไม่ปู่ตุชนเนี่นะครับอย่างผมไม่นะแบบไปเจอพระเนี่นครับผมจะรู้ยังไงว่าท่านที่เป็นพระป า, บาดดิบัตดีปฏิบัติชอบเพราะว่าเพราะว่า บ, บางทีอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราดูแค่สมณสารูปดูสิ่งนี้ท่าแสงออกอย่างเดียวไม่ได้อครับก็ต้องดูว่าแค่ไหนที่มันเกินเลยไปครับเช่นพูดจาไม่สุภาพมั่งแต่ง โมดจีว่าไม่เรียบร้อยแตมาว่าก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปโกหกชาวบ้านไปหลอกไถ่ชาวบ้า น, น, นเนี่ยเนี่ไอพวกนี้มันมันมันเกินเกินขีดไปแล้วใช่ไหมโดยไปต่อยปีชาวบ้านไปเมาเนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วใช่ัหม ค, ค, คือพระอรหันเนี่ยที่ท่านสมณสารุไม่งานท่านก็มีแค่มีเส้นที่ท่านไม่ทําช่อันนี้เราส่วนหนึ่งก็ต้องดูส่วนหนึ่งเนี่ยก็ คือกิริยาการบางอย่างเนี่ยมันมันชัดว่าไม่ใช่ครับไม่เหมาะกับการเป็นพระเช่นเมาเหล้าไปหลอกไถ่ชาวบ้านเนี่ยครับแต่บางอย่างเนี่ยอาจจะดูไม่เรียบร้อยแต่ต้องเดี๋ยวพิ่งด่วนตัดสินเช่นหลวงปู่เจี้ยเนี่ยนะท่านไปบินทบาทเนี่ยนะบางทีท่านก็ผ่านล้านคนท่านก็บอกเออเอากาแฟมาหน่อยใช่เอากาแฟมาหน่อยใช่ไครับหรือ หลวงพ่อของลนี่ยอาจารย์กวิทเล่าเนี่ยหลวงพ่ออะไรเนี่ยที่แถวภาคใต้เนี่ยนะพอท่านท่านอยู่พอท่านนั่งเรือมาถึงบ้านเนี่ยก็มาถึงค่าเนี่ยก็มาเรียกหน้าบ้านว่าหน้าบ้านเรียกป้าท่านบอกว่าเนี่ยเพรุ่งนี้เอาแกงไก่มานะเนี่ยครับอาจารย์กวิททีแรกก็ไม่ค่อยพอใจพระอะไรมามาพูดแบบนี้มาเรียกรองเนี่ยแต่พออยู่ไปนานๆโอ้โหท่าน ท่านอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายท่านท่านตรงไปตรงมาแล้วท่านมีความเมตตากรุณามากครับนภาพแบบ น, นี้มีเยอะภาพประเภทที่เรียกว่าสมรรถรูปนี่ไม่ค่อยงามะนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยใจที่ ง, งามมากครับในกรณีนี้เราก็ต้องอย่าเพิ่งโดนตัดสินนะอยู่ไปนานๆเพราะบางทีเนี่ยมันมีศัพท์ในหมู่ภาพว่าปาปะมุตปาปะมุตคือว่าไม่ถือ คือปาผมก็คือไม่ถือเป็นบาปหรือพู้ง่ายคือยกเอาไว้ยกเอาไว้ <Okay. S 2> นะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือสาพูง่ายนะ <Okay. S 2> ซึ่งบางทีท่านก็เป็นพ้าที่ดเีเรียบร้อยเรียบร้อยในความหมายที่ว่าจิตใจงามครับ <Okay. S 2> บางทีพ้าที่เรียบร้อยเนี่ยนะพูดจาไพเราะคุณโยมแต่งกิริยาการสุภาพเนี่ยนะอาจจะจิตใจไม่งามก็ได้ okay. นะเพราะว่าสร้างภาพเยอะ <Okay. S 2> หลอกไถยชาวบ้านานี้อันนี้เนี่ยอาจารย์คือวิศกพูดไปนะท่านตมาเคยเอาเรื่องท่านมาเขียน เ, เดี๋ยวเล่าดูสชื่อหลวงพ่อชิมนะมาสงขลา พอถึงท่านมาถึงท่านก็ไปที่บ้านของอาจารย์กุลละตบประตูบ้านเรียกแม่ของอาจารย์กุลว่าไ อ, อ้น้องพวกนี้แกงไก่ตนะ้องไปถวายกูนะฮะในวัน <Yeah. S 1> พระทรงเช่นนี้ดูหยาบคายนะอาจารย์กุลพูดแต่ดูเหมือนไม่มีใครถือสาเลยบางทีผู้คำหยาบไม่มีใครถือสาเพราะอย่างล้วนในคำพูดนี้ไม่มีอะไรไม่เบียดเบียนไม่เกลียดไม่ลบไม่รักไม่โลภอะไรแต่บางรูปอะถ้าหน้าตายเรียบร้อย คือท่านเคยเคยอาจารย์กุวิ๋วเคยเจอพ้าบ้านนอกแบบ น, นี้แล้วไม่ชอบเลยเพราะว่ากิร mm ิ hmm. ออยามารยาไม่งดงามนะมึงมาพาวยเลยแบบนี้แต่ว่าประยุติใกล้โอโ้โหเป็นผ้าที่มีคุณธรรมมากอันนี้ก็ก็เป็นเครื่องเตือนใจนะว่าสมณศารูปเนี่ยนะมันมันมีไว้เพื่อเพื่อฝึกตนเองแต่ไม่ต้องระวังเวลาเราเอาสมณศารูปนี่ไป ไปตัดสินคนอื่นครับถ้าด้วย p ติแบบว่าแบบคนทั่วไปก็จะเห็นแบบ เ, เรื่มใสาจากภารที่กิริยามารยาแบบเรียบร้อยไว้ก่อนเรียบร้อยตัดสินไว้ก่อนเรียบร้อยใช่เรียบร้อยแบบเรียบร้อยแบบคือดูซึ่งมันก็เป็นซึ่งมันก็ดีแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ทาให้ภาพบางรุ่นเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ไง ข้างในอ่ะไม่ไม่ดีข้างในเนี่ยอยากจะหลอกใช้ชาวบ้านอยากมีความโลดแต่ก็สร้างภาพลักษณ์นะซึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าโดยเฉพาะในเมืองมีเยอะเดี๋ยวนี้จริงแล้วเราก็ดูได้ยากกันนะครับถ้าเกิดท่านแบบเนียนมากจะใช้ภาษาอหไงสมัยก่อนนี่นะมันไม่มีปัญหามากเพราะว่าพระนี่นะชาวบ้านจะใกล้ชิกับพระ ชาว บ, บ้านเนี่ยใกล้ชิด ก, กับพระก็อยู่กัพระมาเป็นปีๆเขาก็รู้ <Okay. S 2> นี่เป็นปัญหาแต่ปัญหามันเกิดขึ้นกับคนเมืองเพราะคนเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับวัดไม่ค่อยใกล้ชิด ก, ก, ก, กับพระ <Okay. S 2> ใช่ไหมนานๆนา น, นานปีแต่เข้าวัดสักทีหนึ่งก็ไปดูความเรียบร้อยนะ <Okay. S 2> ก็ไปดูที่อากับกิริยาผู้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่วัดธรรมกายเนี่ยนะ ดึงดูดผู้คนมากเพราะพระทำเนี่ยเรียบร้อยพูดจาไ่เราะร อ, ร อ, รอเรือรอลิงชัดเจนนะจีวรงดงามนะนั่งนี่ก็นั่งเป็นระเบียบใช่ไหมก็ดึงคนชั้นกลางไปเยอะคนเหล่านี้เขาก็มาเจอพระบ้านนอกเจอพระเห็นนะ้ากับภริยามไม่เรียบร้อยก็ไม่ชอบใช่ไหมนี่เนี่ยค็นี่เผยพงทำไมทำไมทำไมคนไปว่าทําไมคนชั้นกลางไปว่าธรรมกายเยอะพราดูแล้วเรียบร้อยใ ช, ใช่ไหม แต่ว่ามีปัญหาขห้างในมีปัญหาเนี่ยครับ อ, อยากจะถามนี่ครับคือในมุมมองของท่านอาจารย์นี่ครับที่บอกว่าว่าพระโดยทั่วไปที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความเป็นสมณะได้อครับอะไรเป็นเหตุปัจจัยหลักของท่านที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความเป็นสมณะได้โดยแท้นะถ้าพูดแบบรวมๆคือว่าขาดการกล่อมเกลา ที่ที่ถูกต้องครับพระสมัยนี้เนี่ยบวชแล้วก็ไม่มีใครใครสอนไม่มีใครอบรมทำไมครับแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปก็เออก็ถูกถูกสิ่งภายนอกกระตุน้นด้วยยุหรือเย้ายวนนะทไให อหลงไหลในวัตถุได้ง่ายเงินทองแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการบริหารในวัดก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีพระที่ไม่ดีเนี่ยมาอยู่สิ่งแวดล้อมก็กลายเป็นว่าการศึกษาก็ไม่ดีการกล่อมกลาก็ไม่มีแล้วยังมีพระที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยเป็นจํานวนมากเนี่ย วันรอมอันนี้ก็ทําให้พระเนี่ยก็เรียกว่าแย่ลงไปเรื่อยนะสมัยก่อนเนี่ยถึงแม้ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เรียนทางด้านเป ร, ต, ปรติธรรมแต่ว่าอุปชาก็สอนเจ้าอาวาสก็สอนแล้วก็พระเก่าเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยชักชวนกล่อมเกลาแนะนำให้เป็นพระดีรู้รู้เรื่องกิริยามารยาหรือว่าเรื่องป ร, รมวินยัยในระดับหนึ่งเนี่ย ก็ทําให้ประพฤติตัวเรียบร้อยได้แต่เดี๋ยวนี้เองสิ่งเหล่านี้นมันหมดไปนี่คือปัจจัยภายในนะคือการการกล่อมเกลาหรือที่เรียกง่ายๆเรืร่องรวมคือการศึกษาภายในวัดเนี่ยมันมันอ่อนแอลงสิ่งว่าร้องก็ไม่ดีแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งว่าร้อมนอกวัดเนี่ยนะมันรู้แล้วแต่เป็นเรื่องของวัตถุนิยมบริโภคนิยม พระเนี่ยเมื่อข้างในเนี่ยอ่อนแอมันก็ง่ายที่จะลหลงไหลไปตามการเย้ายวนของสิ่งภายนอกครับเพราะนั้นก็ยิงมีปัญหาพระเนี่ยติดในวัตถุนิยมพระเห็นแก่เงินแล้วก็มีปัญหาเรื่อง เ, อเรื่องการพูตัวไม่เรียบร้อยอย่างนี้แบบปัจจัยหลักก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของการแบบ ฝึกตัวเองด้วยหรือเปล่าครับเพราะออว่าต่อแม้ให้อยู่ใกล้แบบพระอาจารย์ที่ท่านแบบเป็นอริยะชนเราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าขนขวายตั้งใจฝึกนัก็มีส่วนแต่ว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เต้องอาศัยกัลยาณมิตรไอ้เรื่องข้างในเนี่ยนะมันยากคนที่ไม่คนที่ปฏิบัติคนที่บรรลุ ธ, ธรรมโดยไม่ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเลยเนี่ยก็มีแต่พระเจ้าที่เหลือต้องอาศัยกัลยาณมิตร ตอนนี้คนที่บวชมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะจะให้จะให้เก่งเนี่ยก็ยากคือถ้าเราดูถ้าเราศึกษาจากประวัติของพระหลวงตาหลวงปู่ที่ทุกวันนี้เรายกย่องนับถือว่าเป็นพระยาจ้าเนี่ยจำนวนมากที่มาบวชแบบที่ไม่ได้ตั้งใจจะบวชไม่ได้ศรัทธามาบวไหมนะมาบวชชั่วบวชประเพณีนะมาบวชชั่วคราวมาบวชเพราะว่าป่วยเห็นไห ไปดูเรื่องหลวงพ่ชาหลวงปู่ขาวแม้แต่เจ้าคุณพรมพุทนาพรเนี่ยนะตอนเด็กถูกพาท่านก็นไม่ดีก็ให้มาบวชคือคนจำนวนมากเนี่ยพาเราเนียไม่ได้บวชเพราะศรัทธาไม่ได้คิดจะพ้นทุกข์แต่ทำไมกลายเป็นพา ด, ดีก็เพราะว่าเจอครูบาอาจารย์เจอสิ่งแวดล้อมที่ดีพูง่ายคือได้กละยาณเป็นที่ดีก็เดินหน้าเข้าสู่อริยมรรคได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆพูดถึงสมนักสารูปเนี่ยปัจจัยหลังเนี่ยสำหรับคนทั่วไปนก็คือกเรยนามิตรหรือผู้เทกวาวนั้คือการอบรมการศึกษาซึ่งมันเคยมีอยู่พอสมควรในวัดนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะ คือถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าว่ า, ว า, วาเราจะบวชอย่างเนี้ยครับเราจะมีหลักในการแบบว่าสแสวงหาครับครูบาอาจารย์หรือว่าอะไรยังไงบ้างครับก็ต้องไปต้องไปเลือกวัดต้องไปดูครับต้องไปศึกษาครับทดลองใช้ชีวิตสักสองสามวันอย่างน้อยใช่ไหมแล้วถ้ามีความรู้พื้นฐานในพุทธศาสนาบ้างก็จะมีเกณฑ์นในการตัดสินใจว่าเ อ, อวัดนี้สอนถูกต้องไหมใช่ไหม เออถ้าไปแต่วัดที่แ่าอุ่นวายมีแต่งานศพแล้วก็มีแต่มีแต่มีแต่เรื่องการเรื่องวัตถุเนี่ยมงคลเนี่ยว่าอาจจะตัดสินเออยังไม่เหมาะสำหรับเราก็ไปหาวัดทีเ่เรียกว่าส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติคือต้องมีพื้นฐานอยู่บ้างในการตัดสินใจก็ต้องเป็นคน ที่แบบว่าสนใจ ฝ, ฝ่ายศึกษามาบ้างอยู่แล้วจะได้มีแบบภูพื้นฐานความรู้ไว้ก่อนใช่ไหมสมัยนี้ต้องเป็นอย่างนี้น ะ, เ พ, ะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัดเยอะคนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีปัญหามากก็คือบวชในวัดประจําหมู่บ้านครับและส่วนใหญ่ว่าพระประจําหมู่บ้านเนี่ยก็ก็มักจะเรียบร้อยนะ yeah. ในความหมายที่ว่าเป็นผ้าที่ไม่ได้เกก็เมล็ดเกเรับเพราะถ้าเกล็เมล็ดเกเรชาวบ้านก็ไม่ให้อยู่ค <c oughs> รับเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเขามีปัญหาเขาก็บวชวัดประจำหมู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยวัดเนี่ยกรรมูกับชาวบ้านเนี่ยกับผู้คนเนี่ยมันกับชาวเมืองเนี่ยมันเหินห่างกันเยอะคร <c oughs> ับนะแล้วก็วัดที่อยู่ใกล้บ้านก็อาจจะไม่ได้เป็นวัดที่ดีก็ได้ค <c oughs> รเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปเลือกไปสอหาครับและที่ปัญหาคือเดี๋ยวนี้เนี่ย วัดในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาเพราะนั้นก็ต้องมีความใส่ใจในการเสาะหาหน่อยครับแล้วถ้าเราจะฟื้นฟูแบบความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับวัดให้กลับฟื้นขึ้นมานะครับท่านท่านมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างโอ้นี่เขียไม่เยอะนะในหนังสือที่จะมาพวกนันะคือต้องทำให้วัดกลับมาเป็นของชาวบ้านได้มากขึ้น ตอนเนี้ยวัดเป็นของคณะสงฆ์วันเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านทั่ไปเขามองว่าวันเนี่ยเป็นของมหาเถรนะชาวบ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวัดเป็นของชาวบ้านอาตมาอยู่เนี่ยอยู่วัดป่ามหาวันเนี่ยถึงเวลาออกพรรษาชาวบ้านต้งนิมนต์ให้อยู่ต่อนี่มันให้อยู่ต่อนะวัดไม่ใช่เป็นของเจ้าวาดนะแต่สมัยนี้เนี่ยวัดคือเป็นของเจ้าวาดหรือว่ามอให้มอให้โลคือวัดเป็นของคณะสงฆ์มหาเถร แต่ขาวบ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวัดเป็นของชาวบ้านพระเนี่ยมาอาศัยนะเวลาจะสร้างกุฏิเนี่ยต้องคุยกับชาวบ้านไม่ใช่ว่าเจ้าว่าจะสร้างเลยอล้นี้สมัยนี่มันคือความเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้เนี่ยอันนี้ทำไมาคือพื้นฐานทำไงจะให้วัดเข้ามามีส่วนร่วมกับกับวัดให้มากขึ้นครับเนี่ย เรื่องการบริหารเรื่องการปกครองเรื่องเสนาสนานะอย่าอย่าทำแต่เฉพาะอย่าตัดสินกันแต่เฉพาะคณะสงฆ์หรือว่าในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยมีแต่เจ้าว่าตัดสินใจนะแม้แต่พระในวัดก็ยังรู้สึกว่าเป็นผู้อาศัยไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของวัดแล้วมันต้องปรับความสัมพันธ์กันใ ห, หม่หมดเลยนะให้ให้ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมใน ในกิจการของวัดนะและวขณะเดียวกันวัดเนี่ยก็ต้องเอื้ออาทรต่อชาวบ้านใส่ใจกับปัญหาที่เกิดกับชาวบ้านปัญหาเช่นอาจจะมีเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหาเด็กไม่มีที่เรียนปัญหาเด็กยากจนปัญหาวัยรุ่นเนี่ยพระเนี่ยหรือวัดเนี่ยต้องเข้ามา ใ, ใส่ใจไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่นะ มีเด็กยากจนหรือว่าเด็กไม่มีอะไรกินวัดก็ไม่สนใจใหอยู่ข้างวัดเนี่ยเด็กนี่แบบนี้ก็มีเยอะครับคือองนี้ตรงมันต้องเกื้อกูลอย่างที่เขาเรียกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงรนะชาวบ้านเนี่ยก็ใส่ใจกับเรื่องของวัดเขาสูนะ่เป็เจ้าของวัดเลยส่วนวัดเนี่ยก็มาช่วยเหลือชาวบ้านครับสะพานถนนขาดสะพานขาดอ่ะ พระนำชาวบ้านไปไปสร้างสะพานนะไปซ่อมถนนนะซึ่งแบบนี้ในชนบทยังมีอยู่แต่ในเมืองไม่มีแล้ว <c oughs> เพราะว่าพระถือว่าหน้าที่ของพระก็คืออยู่ในในบริเวณวัด <c oughs> ส่วนชาวบ้านก็ถือว่านะวัดเป็นของพระเป็นของเจ้าวาดก็ไม่สนใจก็ <c oughs> เรียกว่าต้องมีแบบคล้ายๆกับมี มีจิตสํานึกที่มองว่าว่านี่เป็นเรื่องของแบบส่วนรวมอย่างนี้จะเรียกได้อย่างนี้ไว่ายไหมครับหรือว่ า, วามองว่ า, ว, าวัดชุมชนหรือว่าแบบครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่เกื้อกูลกันและกันหมดใช่ไหมครับถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งแบบว่าแบบย่อหย่อนใบ้ก็มองถึงผลกระทบที่มันกระเทือนด้วยกันหมดอืยังไงก็ได้ไม่เคยหนังสือตำมา้าพุทธศาสนาไทยในนาคตศัตรอ ครับผมเคยอ่านเลยด้วยครับออนั่นแหละมันมีเพื่อพูดเรื่องนี้เยอะเลยว่าทํางานจะให้วัดกับชาวบ้านประสาสัมพันธ์กันครับรวมทั้งที่คุณถามมาเรื่องการศึกษาต่างๆเนี่ยครับนะป่วยหมดแล้วครับครับจริงๆแบบในคําถามที่พี่ก็ฝากถามมาก็หมดแล้วและครับมีอยู่สี่คำถามแรกครับ มีคำถามข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะเกี่ยับพัฒนาสรารสนเทรูปนี่ครับไอสาเหตุปัจจัยนะที่อันหนึ่งที่อัตมาจะขยายความเนี่ยนะอัตมา ก, ก็พูดเรื่องว่าเมื่อกี้พูดเรื่องการศึกษาคณะสงฆ์เนี่ยตอนนี้มันอ่อนแอใช่ไหมครับอันนี้ก็จะพูดว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเหตุผลทําให้การศึกษาคณะสงฆ์มันอ่อนแอเหตุผลก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคณะสงฆ์เนี่ย นะสนใจเรื่องการปกครองมากกว่าและการปกครองแตงว่านาสงเนี่ยนะก็หมายถึงการใช้อำนาจควบคุมครับพระเนี่ยที่ได้รับเรื่องสมณศักดิ์เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือพระที่เป็นพระที่เป็นผู้ทำการปกครองเช่นเป็นเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาด แล้วกับปกครองที่ใส่ใจคือและที่ผลงานที่ีสนใจใจนะคือเรื่องการก่อสร้างครับแต่พระที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยได้รับเลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระดีๆเนี่ยนะพระเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องการศึกษาครแต่จะไปสนใจเรื่องกับปกครองเรื่องการก่อสร้างนะพระ แลยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะมันมีเรื่องรับศักกะลักษ์เข้ามาพระที่เป็นครูเนี่ยเวลามีกินนิมนต์ไปไม่ได้ครับไอพระที่ไม่ทําไม่ได้เป็นครูเนี่ยมีกินนิมนต์ไปสวดไปอะไรเนี่ยได้เงินนะสิ่งที่เก็คือว่าพระที่ทําน้าที่อ่านสาเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยก็จะจะเรียกว่าถูกละเลยครับสมรรศักดิ์ก็ไม่ได้ครับนะ ลาสักการแล้วก็ไม่มีแล้วใครใครจะอยากจะเป็นครูใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งทั้งโลกเนี่ยคนอยากเป็นครูก็มีน้อยอยากไปเป็นหมอเป็นวิศวะในวงการพระก็เหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่ดีมากครับนี่คือผลทําไมการสาธารณสุขมันตกต่ําร่วงโรยนะ ส่วนหเพราะว่าว่าเราไปอิงการปกครองคณะสงฆ์ตามตามแบบระบอบแบบของกระทรวงโครงสร้างกระทรวงมหาดไทยมากเกินไปด้วยนึกเอล่าคือถ้าเป็นแบบมหาดไทยก็ยังดีนะบนี่ของคณะสงฆ์เนี่ยอิงการปกครองแบบมณฑลเทสาพิบาลสมัยรัชกาลที่ห้าถอยหลังไปอีกร้อยกีนะหนักหนักหนักขนาดนี้ไปดูเนี่ยนะเจ้า เจ้าคณะจังหวัดใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับเจ้าคณะภาครนะแล้วเจ้าคณะภาคก็ถูกอยู่ใต้เจ้าคณะผลอันนี้มันเหมือนกับบทของเทาวิบาลเลยนะใช่ใช่แล้วก็ถามว่าพระเจ้าคณะภาคเจ้าคณะผลนี่อยู่ไหนอยู่กรุงเทพส่วนใหญ่ใช่ไหมเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดนี่นะที่คุมโคราไทยภูนี่อยู่กรุงเทพแล้วเจ้าคณะผลทุกคนเนี่ยอยู่กรุงเทพ นี่มันเป็นแบบระบบอนาันติคมนะเป็นการปกครองแบบรวมศูนย์แบบมหาไทยยังดีนะเจ้าอผู้ว่าเนี่ยก็ยังมีอำนาจอยู่บ้างครับแต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าผู้ว่าเนี่ยก็ต้องถูกกำหนดโดยอนุตตริคมการปกครองแต่ของคณะสงฆ์นี่หนักกว่านี้อีกเพราะว่าเนี่ยถ้าเป็นบกระทรวงมหาไทยก็ยังดีนะนี่มันสมัยรัชการที่ห้าไทยเองแต่จรับจริงต้อง ไ ม, ไม่ซานี่นมาตยังโตแล้วมั้งไม่มีคนระับคำถามอื่นไม่มีคนระับเราพักหน่อยอ๋อก็ถือว่านี่นะปรัการศาคณศง <c oughs> การศาคณศึา ส, าสา น, าสนต้องการศาสทั้งปริยรัติและปฏิบัติครับใช่ไตอนนี้เนี่ยามาให้ความสาคัญกับเรื่องการ ตักสาเชิงปริญัติมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นนักธรรมบาลีประถิทำสายสา ม, มัญไม่ประสบความสําเร็จนะครั บ, รบแล้วก็เพราะว่าพระนี่ก็ไม่มีความรู้และเบื่อที่จะเรียนเป็นโรคกระส่ายต่างหากใช่ไรเรียนแบบขอไปทีมีการทุจริตกันโดยเฉพาะในระบบบาลีทุจริตกันโฉงครึมมากใช้มือถือหรือว่า ส่งเขียนข้อตอบเขียนข้อสอบเขียนคําตอบส่งกันอะไรเงี้ยมันล้มเหลวต้องต้องปฏิรูปและที่ที่บกพร่องและเลยวร้ายคือการศึกษาในเชิงปริยัตินะและการศาคณะกากครองนักศนี่ต้องหันมาให้มานในเรื่องการศึกษามากขึ้นแทนที่จะเน้นการควบคุมก็ในเรื่องการส่งเสริมส่งเสริมด้วยการศึกษาไม่ศึกษาในรูปแบบไม่ศึกษาในในห้องเรียนแต่ว่าเป็นกาศษาคือกล่อมเกล้า เื่อนีตมา ก, ก็ก็เขียนไว้อย่างเหมือนกันนะนีเยอะนะรเรื่องการปฏิบัติสำคัญการปฏิบัติคือการเจริญสติการทำการภาวนารรพระตอนนี้เนี่ยนะไม่มีไม่มีจิตที่เข้มแข็งไม่พบความสุขภายในพอโดนวัตถุนิยมบริโภคนิยมล่อหลอกเข้าไปนะเหตุแก่เงินหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินทองปัญหาเรื่องผู้หญิง ไอ้พวกที่เป็นพ่อข้างในเนี่ยไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะไม่มีความสุขเนี่ยก็บวชไม่นานหรือถึงบวชนานก็บวชแบบต้องอาศัยวัตถุครับเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่งั้นก็ก็อยู่ไม่ไหวครับใช่ไหมหรือไม่ก็ตกเป็นเป็นเป็น้าของวัตถุนะเพราะนั้นพ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องใหญ่มากชีวิตก็คือความเป็นอยู่ก็สุขสบาย วัดก็ในเรื่องวัตถุมากคืออันที่เป็นมัรรทอดถึงเรื่องของการไม่ไม่ให้ความสำคัญเรื่องภาวนาครวิชาภาวนาดนีเนี่ยนะอาจารละก็จะเรียบร้อยไปโดยปริยายนะก็จะไม่ไม่ไปเบียดเบียนชาวบ้านถึงแม้บางลูกอาจจะเอะอะมาเถิงบ้างนะตามนิสัยหรือวาสนาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ง่ายอย่างหลวงปูเ่เจ้เนี่นะท่านก็อยู่ง่ายหลวง ป, ปู่ทองรัตน์เนี่ยตอนมราณาภาพเนี่ยมีบริขารแค่ไม่กี่อย่างเอง คือพวกนี้ท่าพาวนี้ทําไม่ทําไมงกทําไมทําไม่ทําไมโลภนะท่านมีเมตตากรุณาถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะมึงมาพาวโวยนะกูกูมึงมงเนี่ยนะแต่ข้างในไม่มีอะไรหรอกนะเพราะนั้นเนี่ยก็เรื่องการศาสำคัญซึ่งพวกนี้มันจะทำาด้มันต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทั้งระบบเลยนะรายยันที่สำคัญคือ ญาติโยมเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่าพระดีพระดีเป็นอย่างไรครับพระหน้าที่ของพระคืออะไรใช่ไหมพอเดี๋ยนี้เนี่ยมีอะไรก็ปนเปื้อนพระนะมีเบ้นก็ถวายเบ้นให้พระไม่ได้รู้ว่าพระเนี่ยควรจะอยู่ง่ายใช่ไหมคือไม่เข้าใจว่าพระดีนะครับท่านเป็นอย่างไรพอทีนี้ถ้าโยมเข้าใจพระเนี่ยนะก็จะไม่ไม่ไปปนเปื้อนพระ แล้วก็จะพยายามที่จะคอยดูคอยสอดส่องนะว่าท่านประพฤติตัวเป็นยังไงในด้านนึงก็ส่งเสริมให้ท่านเป็นพระดีพระเรียบร้อยในด้านนึงก็ไม่ปล่อยปะแล้วเลยท่านนะไม่ถือคติว่าชั่วช่างชีดีช่างสงนะสมคัญมากเลยคารวะเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระดีเพราะว่าคารวะเนี่ยก็คอยจับตาสอดส่องแล้วก็สนับสนุนด้วยนะ ที่เขาเรียกว่าอะไรว่าจะดีมีหลักฐานพรอบ้านช่วยบ้านช่วยนี่ไม่ช่วยเรื่องเหมือนทองอย่างนัะช่วยดูเรื่องของสัพพิสุทให้ปฏิบัติตามประธรรมวิ น, นัยมีสมาาัรัศสารูป้ย้แงนการที่ชาวบ้านเนี่ยมีความรู้เรื่องพระรเรื่องพุทธศาสนาก็สําคัญครับก็เป็นความหมายในของความเป็นกัลยาณมิตรคอยแบบชักจูงนําพากัไปนในทางที่ดีด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ ถามอันนี้ไม่เกี่ยวกับการถามวมิจัยนะครับที่อาจารย์ทำของการฌานทาบุญด้วยจิตอ า, าสานี่ครับแต่เป้าหมายของขอาจารย์คือต้องการให้คนในสังคมเข้าใจเรื่องการทําบุญตามหลักบุญญาวัตถุศีลที่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับให้เกิดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านครับประเด็ น, นี้การทําบุญก็ทําไปตามประเพณีหรือว่าทําด้วยความหลงงมงายไม่รู้รจุดมุ่งหมายคืออะไร ทำแล้วบางทีก็อยากจะได้บุญแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์ท่านครับครับหรือบางทีก็ทําแล้วเมาบุญะครับที่ทําแล้วก็หลงงมงานในบุญทีนี้าการอยากเห็นแบบภาพแบบของโครงการเป็นไงบ้างครับทีคือแบบตัวแบบของแบบที่พุทธิการนะครับคือของแบบพี่มิกาไรให้ผมมาช่วยแบบทําประเมินโครงการมาแบบสองปีแล้วอเงี้ยครับอืม ผมก็คิดว่าอยากจะคุยกับพระอาจารย์แบบโดยตรงว่าอาจารย์อยากจะเห็นแบบภาพของครการนี้ไปเดินไปในทิศทางไหนต่อคือก็ทำให้คนเนี่ยนะคนที่คนที่คนที่สนใจทำบุญเนี่ยเขาได้เข้าใจบุญในข อ, อามหมายที่กว้างทำแล้วเนี่ยเห็นด้วยว่าออการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนี่ยก็เป็นบุญบเพราะส่วนใหญ่คนที่สนใจพุทธศาสนาเ น, นี่ยมันจะไม่ค่อยสนใจคนคอื่น คนตกผู้ขดทุยากก็ไม่่าดสนใจทําแต่บุญไปแต่ที่วัดคือให้สนใจสังคมด้วยครับเสียงแวดล้อมคนยากคนจนคนทุกข์ยากคนยากนะข่ายจากการคนที่สนใจเรื่องสังคมเนี่ยนะก็ฉลาดทําบุญก็น่าจะช่วยทําให้เขาเนี่ได้หันมาสนใจเรื่องการทําจิตใจให้สงบนะเกิดประโยชน์ตนด้วยครับเนี่ย เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในอยู่ง่ายเรบง่ายพบความสุขภายในครับอันนี้แลยวว่าได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคนที่ทําประโยชน์ตนนะเข้าวัดก็ได้ก็ทําประโยชน์ท่านคนที่สนใจแต่ประโยชน์ท่านก็ได้ประโยชน์ตนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในครับนียยักนความความความฝันเนี่ยยักษ์เป็นอย่างนั้นครับออืจากที่ผมแบบ ช่วยทำประเมินโครงการมาสี่ปีเนี่ยครับคือผมยังเห็นภาพที่มันยังเป็นข้อแบบติดขัดอยู่คือโดยแบบเนื้อหาของตัวกิจกรรมที่ทําที่ขยับไปทุกปีไม่ว่าแต่โดยเฉพาะช่วงหลังที่ทําแบบจิตสาภ า, าเข้าไว้ไปนี้ครับคือผมว่าก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่โดยโดยแบบคนทั่วไปยังไม่รับรู้ว่ามีแบบโครงการนี้อยู่มีอะไรผู้นี้อยู่เนี้ครับท่า น, นคือโดยแบบ ส่วนผมเนี่ยือผมไม่รู้ว่าว่าเราพอที่จะประจับมือกับสื่อไหนได้บ้างในการที่ทําให้แบบว่าเรื่องความตระหนักอในเรื่องการทําบุญพอจะแผ่ขยายไปบ้างนะครับคืออย่างผมผมเป็นอาจารย์อยู่ที่ศูนย์จิตวิทยาศึกษานั้นมันอยู่ในในแบบแวดวงของการศึกษาก็จะไม่ใช่ดูจากสื่ออะไรมากหนักนี่างนี้ครับเขาก็ทํานะแต่ว่าสื่อมันต้องการไอะไรใหม่ๆอยู่เสมอครับทํา สมัยใหม่ๆนะประมาณปีสีห่หกสเจ็นเนี่ยเออมันก็เป็นของใหม่สำหรับสื่อสื่อก็เอาไปเล่นครับแต่ต่อหลังพอทําไปหลายๆปีมันก็ไม่มีอะไรใหม่เราก็ต้อ ง, ต, องต้องหาของใหม่ให้มันอยู่เรื่อยๆเช่น แ, แต่พูดถึงสื่อจะมาคิดว่าคงต้องคิดถึงเรื่องสื่อที่มันสื่อดิจิทัลมั้งนะให้มันเป็นไวรัลนะใช้สื่อกระสนหลังนี้บางทีมันก็ไม่เค่อยเวิร์กแล็สิ้นเปลืองเยอบก็คงต้องคิดเรื่องพวกนี้ ยริงๆแค่สื่อที่มันผ่านผ่านไปทางไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยนะถ้ามันทำดีๆมันก็ไปไกลนะใช้เงินก็ไม่มากก็ต่อๆๆต่อต่อตอันนี้ก็ต้องคิดด้วยเพราะว่าแต่เพราะคุยพีพ่มิกว่าเเราน่าจะมีแบบช่องทางไลน์อาจจะเป็นเป็นแบบโคทท้ดคำส่งไปมาแบบเป็นรายการอย่างนี้นครับคล้ายๆกับบางที่ที่เขาก็ทำารายไว้เป็นสไลด์ครับหรือไม่อาจจะขึ้นแบบเป็น บบโพสคำเหมือนในแบบว่าแบบหน้าเพจของท่านหรือหน้าเพจของพุิธิรชาดธรรมบุญที่ทำเฟซบุ o o อยู่แล้วที่มีคำนี่ครับแเป็นข้อความาอาจแต่ทีนี้เราอาจจะเข้าถึงอีกช่องทางหนึ่งคือไลน์อย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแบบ a c e b o o k ตอนนี้ก็เริ่มมีคนแบบมาแบบกดไลค์ติดตามเริ่มเริ่มทยอยทยอยมามาแบบเยอะขึ้นแล้วใช่คว่าคงใช้สื่อแบบนี้บ้างให้มั น, นแม้กระทั่งในวิดีโอคลิปแรงตายทเป็นไวรัลเนี่ยมันก็ ไปได้ไกลเหมือนกันแต่พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายนะท่านก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวใช่ไหมสำเร็จได้แค่หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันแล้วก็ลือหายไปก็ดีก็ลองเสนอแนะเข้าไปนะกินใจเอาไม่หรอใช่เลยท่านเชิญครับนักวิชาการอยู่ข้างใน ใช่ใช่ครับจนถึงสมัยรี้